หมวดที่สามิกษุทั้งหลายสงพึงระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดคือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 2. ไม่งดปวาราณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 3. ไม่ทำการไต่สวน 4. ไม่เริ่มมนุวาทาธิก่อน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 ปฏิปั ส, สัมเพตัพระอัถรสกะจบ